ข้อห้ามการมีเพศสัมพันธ์ของนักบวชเป็นการฝืนธรรมชาติหรือไม่ถามข้อห้ามไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ของนักบวชถือว่าเป็นการฝืนธรรมชาติหรือไม่เวลาผมเห็นข่าวชาวของคนนุ่งเหลืองก็เกิดความรู้สึกว่าเขาอยากมีเพศสัมพันธ์ก็ถูกต้องตามธรรมชาติแล้ว มนุษย์พยายามไปตั้งข้อห้ามที่ฝืนธรรมชาติเองตอบก่อนอื่นต้องนิยามกันให้ชัดว่าฝืนธรรมชาติในความหมายของคุณคืออะไรในมุมมองของคนทั่วไปเพศเป็นสิ่งติดตัวมาแต่เกิดการไม่มีอารมณ์ทางเพศจึงถือเป็นความผิดปกติชนิดหนึ่ง พูดง่ายๆว่าถ้ามีความต้องการทางเพศแล้วไม่ระบายออกถือเป็นการฝืนธรรมชาติทางกายจะหยุดความเชื่อไว้ที่ตรงนี้และไม่มองหาความเป็นธรรมชาติชนิดอื่นอีกธรรมชาติทางกายหญิงชายไม่จำเป็นต้องมีอะไรกันก็ไม่ตายใช่ไหมครับแต่ถ้าพูดถึงธรรมชาติทางใจละ่ะ ถามว่าใจต้องการอะไรมากที่สุดคำตอบที่ถูกต้องครอบจักรวาลคือต้องการความสุขต้องการความสบายใจสมกับที่ท่านว่ามนุษย์ทุกคนเกลียดทุกรักสุขด้วยกันทั้งสิน้นถ้ามนุษย์คนหนึ่งมีแต่ทุกขมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความกดดันทางใจไม่มีความสุขความสบายใจบ้างเลยเขาจะหดหู และภายในเวลาอันรวดเร็วเขาจะไม่อยากมีชีวิตต่อไปอีกพูดง่ายๆคือไม่ตรอมใจตายก็ฆ่าตัวตายนี่เป็นหลักฐานว่าถ้าคุณไม่มีสุขบ้างเลยถือเป็นการฝืนธรรมชาติทางใจอย่างแรงผลคือไม่สามารถมีชีวิตต่อได้เป็นปกติหรือกระทั่งอาจต้องจบชีวิตเลยทีเดียว ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งไม่เฉพาะนักบวชในพุทธศาสนานะครับเขายอมรับกันว่าความสนุกทางเพศนั้นมีอยู่แต่เป็นสุขที่มีประมาณน้อยเทียบเท่าของเหลวหลังการมีเพศสัมพันธ์นั่นแหละส่วนความทุกข์อันเกิดขึ้นหลังความสนุกทางเพศนั้นใหญ่หลวงกว่าประมาณแห่งหยาดเหงื่อที่เสียไปขณะมีเพศสัมพันธ์และหลังเพศสัมพันธ์จบลง ลองคิดดูเล่นๆเอาเฉพาะที่เห็นตามจริงโดยไม่ต้องนับการเสี่ยงติดโรคจากคู่ขาไหนจะทุกข์อันเนื่องจากการตั้งท้อง9ก้าเดือนไหนจะทุกข์อันเนื่องจากความเจ็บปวดขณะคลอดไหนจะทุกข์อันเนื่องจากการประครบประงมทารกวันต่อวันให้เติบใหญ่ขึ้นจนปีกกล้าขาแข็งไหนจะทุกข์อันเนื่องจากการหาเงินหาทองเลี้ยงดูเอาใจให้การศึกษาเด็กคนนั้น จนเอาตัวรอดได้ในจะทุกข์อันเนื่องจากการพรากจากลูกเมียอันเป็นที่รักในจะทุกข์อันเนื่องจากการมีเรื่องทะเลาะเบาแวง้งต้องฆ่าแก่งกันระหว่างคนในครอบครัวลองคํานวณดูเถอะว่าเหงื่อที่คุณเสียไปมีประมาณมากสักเท่าใดแล้วความทุกข์อันใหญ่หลวงอย่างที่สุดของการเสพกามคืออะไร คือการเวียนไหวตายเกิดอย่างไม่รู้อิโนอินเนขึ้นสูงได้เพราะฝืนห้ามใจละกามที่ผิดตลอดชีวิตแต่มีสิทธิตกต่ำเพียงเพราะเผลอหลงกามต้องห้ามแค่วูบเดียวตราบใดยังติดใจและมองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากกามบังเลยก็เหมือนการรอนแรมเดินทางไกลไปในป่ารกชัด โดยไม่ทราบทิศของทางออกขึ้นเขาลงห้วยลำบากตรากตรำเพียงใดห้ามบน่นต้องกมนากมตาทนเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดแก่นของความเข้าใจทางพุธประการหนึ่งคือมุมมองที่ว่าตราบใดยังยืนอยู่ในน้ำคุณจะไม่มีวันแห้งและกามก็เปรียบเหมือนห้วงน้ำแห่งมหันตทุก ตราบใดยังติดอยู่ในห้วงกามคุณก็ไม่มีวันพ้นออกจากทุกข์ไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของทุกขทางใจเหล่านักบวชไม่ว่าลัทธิใดศาสนาไหนล้วนเห็นค่าของการแสวงวิเวกละความสุขทางกายประพฤตตนเพื่อสวยสุขทางใจตั้งความเข้าใจไว้ว่าใจจะเป็นสุขสูงสุดได้ ก็ต่อเมื่อเอากายออกมาจากโซตรวนร้อยรัดเสียก่อนออกห่างเหยื่อล่อให้ได้เสก่อนเมื่อไม่หนักทึบอยู่ด้วยกามจึงค่อยพูดกันเรื่องชำระมนทินสะสารกิเลส ข, ขั้นละเอียดเพื่อความปลอดโปร่งทางใจชั้นสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปหากเรานักบวชไม่มีความผิดปกติทางจิตตรงข้าม กลับสุขล้ําหน้าตาอิ่มเอิบผ่องใสหลับสบายหายห่วงนั่นก็แปลว่าพวกเขามิได้ฝืนธรรมชาติแต่ปฏิบัติได้สอดคล้องกับธรรมชาติยิ่งเพียงแต่เป็นธรรมชาติทางใจหาใช่ธรรมชาติทางกายดังที่คนทั้งโลกปักใจเชื่อว่ามีอยู่เท่านี้พอมาถึงการมองเห็นจากมุมดังกล่าว คุณจะไม่มองข้อห้ามของนักบวชเป็นเรื่องผิดปกติแต่จะแทนคำว่าผิดปกติด้วยคำว่าแตกต่างจากธรรมดาเหมือนคุณและคนทั้งโลกอยากกินจานเด็ดเผ็ดจัดแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งคุณอยากกินของหวานเย็นสบายลิ้นต่างฝ่ายต่างปรารถนาตามอัธยาศัยสำคัญคือ ถ้าไม่มีอัธยาศัยเดียวกันไม่สมัครใจยอมรับกติกาเดียวกันก็อย่าเพิ่งบวชมีฉะนั้นเมื่อบวชแล้วเห็นว่าข้อห้ามเป็นส่วนเกินเป็นส่วนผิดธรรมชาติเป็นส่วนที่ล้อเล่นได้ก็จะประพฤติผิดขั้นร้ายแรงโดยไม่ทราบอนาคตว่าจะต้องรับผลข้างหน้าอย่างไร การมีเพศสัมพันธ์ขณะบวชถือเป็นการละเมิดข้อตกลงกับชาวบ้านในอันที่จะขอข้าวเขากินเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ย่อมให้ผลเป็นบาปที่มืดมนยิ่งส่วนการรักษาข้อตกลงไว้ด้วยการประพฤติรมเจริญสุขทางจิตชดเชยความอยากในกามย่อมให้ผลเป็นบุญที่สว่างสวยยิ่ง เห็นชัดเจนยิ่งยิ่งขึ้นไปว่าการละกามเสด้ยย่อมกลงกลืนกับธรรมชาติของจิตที่ผ่องใสแสนสุขแสนสบายครับ